ในสุราัล่าเรื่เงราวคำลงอธิบายอยู่นั้นมีการเล่ารายละเอียดค่อนขอ้างค่อนข้างละเอียดในเหตุการณ์ของสงครามบาตรซึ่งการเล่ารายละเอียดในกุรุอ่านนั้นมันจะมา พร้อมบทเรียนและนี่คือเส น, น่หของกุร์อานคุรอานไม่ใช่ตำราเล่าไม่ใช่ตำราประวัติศาสตร์อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ก่อนเนาะหนังสือประวัติศาสตร์บางทีก็เล่าส่วนเรื่องเรื่อง การทบทวนบทเรียนอุทาหรเนี่ย น, นี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคนที่อ่านอ่านเองแต่คุณอ่านเมื่อเป็นเป็นคำพีแห่งทางนำทุกคนอ่านก็จะต้องได้ทางนำฉะนั้นเนื้อหาแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเล่า เหตุการณ์จะให้เป็นการเล่าเฉยๆก็จะไม่มีประโยชน์มากนักและอุทาหรณ์ของกุรอา่านจะต้องเป็นอุทาหรณ์ไม่ไม่เหมือนอุทาหรณ์ทั่วไปนะจะต้องเป็นอุทาหรณ์ที่ได้ที่ใช้ได้เป็นบทเรียนที่ใช้ได้ ทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยหมายถึงว่าคนอ่านกุรานอ่า น, น, นสุรษัลอัลอัมแฟลในปีที่สองฮิจรัตสกาุารัตก็จะได้อุทาหารณ์คนที่อ่านสุรษัลอัลอัมฟฟล์ในปีฮิจรกรารหัรอย่บออย่างพวกเราเนี่ยก็จะต้องได้อุทาหารณ์ อุทาหรแบบเข้าใจและเป็นประโยชน์ <c oughs> สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮิฮวนตีอาลได้เล่าเรื่องสงครามบัดรในสองสุระเล่าแบบมีรายละเอียดมากกว่าที่อื่นที่อื่นก็อาจจะมีการเอ่ยเอ่ยนิดนึงแต่ที่แบบว่าเล่าเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีสุระ อันฟาละกัมีสุรษะอัลกิมรอนถ้าเลวเหตุการสงคำบัตรในสองสุระก็จะมีบทเรียนทีอ่อาจจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งแต่มีบทเรียนมากมายสำหรับสำหรับผู้ศรัทธาสงคำบัรและสงคำ อุฮุดเป็นสองสงครามที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์อิสลามสงครามบัดรจะเป็นสงครามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลอาลยบยกให้เป็นอุทาหรนแห่งชัยชนะแต่สงครามอุฮุดเป็นอุทาหรนแห่งการพ่ายแพ้ มุสลิมีนในสงครามบัตรชนะแต่ในอุฮุดนิแพ้แต่ทั้งในสงสงครามนี้ก็มีบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาและสงสงครามนี้บรรดาสมาชิกกองทัพที่ได้สู้รบกับท่านนบีสุลตัลลอฮฺของอิสลามก็ถือว่าเป็น สหายว่ารุ่นบุกเบิกเป็นสหายว่ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและสองสงครามนี้ก็มักจะเป็นอุทาหรณ์ในผู้ศรัทธาในรุ่นหลัง ยามที่ผู้ศัานีมีสถานะสถานการณ์เหมือนเพราะมนุษย์นั้นก็อยู่ในสองสภาพเนี่ยสภาพชนะอธิอแพ้มีอย่างอื่นไหมไม่มีชนะหรือแพนะไปถามพวกที่ ที่เชียร์ลิฟว์บูดีเขาจะรู้ดีเรื่งเนี้ยสามสิบปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแหวดูแหะดูต้องแหวนแน่นอนดูไม่แหวนแน่นอนแปลกนะเพราพอเป็นการเมืองเสื้อเสื้อแดงก็ไม่ชอบแต่พอเป็นบอลนี่ชอบมันเป็นรื่องมันเป็นอุดมคติ มนุษย์นี่ก็อยู่สองสภาพนี่แหละแพ้หรือชนะ <c oughs> คนส่วนว่ากมีตอนแพ้นี่ก็อยากจะได้กำลังใจอยากได้ทบทวนบทเรียนแต่ตอนชนะ <c oughs> ก็มักจะหลงมักจะหลงตัวเอง แต่ปรากฏว่าบทเรียนและคำสั่งสอนในสงครามบัดมากกว่าในกุรานนั้นนะมากกว่าบทเรียนและสงครามในในสงครามอุฮุดที่มุสลิมเขาเขาแพ้เพื่อเตือนสติผู้ศรัทธาในยามที่ผู้ศรัทธานี่รับชัยชนะเขาจะต้อง ทบทวนตัวเองมากกว่าและในยามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ผู้สัาได้ได้ได้มีโอกาสเห็นความโปรดปรานจากอัลล سبحانه แะ تعالى ปัญญาของผู้สัานี่ก็จะต้องเฉียบแหลมแล้วก็ ทันบทเรียนมากกว่าเพราะมันมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่คนเวลาชนะเวลาได้ใจอะนะกิเลสจะมาก่อนปัญญาใช่ไหมแต่ยามครับขันยามลำบากเนี่ย ปัญญามันจะมาก่อนกิเลสเออแต่ทำไมกลัุรานคุรานก็จะเชิญชวนให้ให้มุสลิมให้ผู้ศรัทธานี่ยามที่ชนะนะให้ให้ใช้ปัญญาและคนที่มีโอกาส ไม่หลงตัวไม่หลงสถานการณ์ไม่หลงโอกาสที่ได้มานั้นก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามากกว่าคนอื่นหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาหาได้บอกว่าสงครามบัตดทั้งหมดเนี่ยมักสุบฮานาห์ได้กำหนดทิศทางทั้งหมดเนี่ย เพื <c oughs> ่อให้ปรากฏซึ่งความจริงให้จำแนกจากความความเท็จ liuḥiq alḥaq wa yuṭil albaṭil walā karīh almujrimun liuḥiq alḥaq เพื่อพระองค์จะทรงให้สิ่งที่เป็นจริงได้ประจักษ์เป็นความจริงและให้สิ่งเท็จได้ประจักษ์เป็นสิ่งเท็จอันนี้เป็นเป้าประสงค์ ท่าวอนสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาวฺตาละต้องการให้ความสักดิ์เจจัจกเสมอแต่มนุษย์มนุษย์เป็นแบบนั้นไหมมนุษย์ไม่มนุษย์ ม, ษมีความจริงบางทีเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้อยบอย่าบพึง่งอย่บพึ่งประจักอย่บพึ่งให้ประจักช่วงนี้เก็บไว้ก่อนมีไหมพวกเรามีไหม นี่วนเวลาเราพูดถึงมนุษย์นี่ไม่ได้พูดถึง ม, มนุษย์ต่างต่างดาวนะไม่ช่มนุษย์ที่เราไม่รู้จักมนุษย์นี่คือใครพวกเรานี่แหละนี่มนุษยพวกเรานี่แหละเรามีปะมี ม, มีพวกเราทุกคนนมีผมก็มีเอความจริง อ, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ใครรู้แต่สําหรับอัลลอฮฺสุบฮานาอฺละเป็นเป้าประสงค์เสมอ ล l l a h ต้องการให้ความจริงปรากฏเสมอเพราะ Allah سبحانه ความจริงตรงนี้เนี่หมายถึงว่าความจริงที่เป็นที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นความสัต์จริงนะเป็นคําสั่งสอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงหมายถึงว่าพฤติกรรมของคนอา้าวคนนี้เป็นขโมยคนนี้เป็นคนที่ทําซินา่านี่ความจริงเขา เขาขโมยจริงแต่อลอสอาจจะโ ป, ปรดปลานปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเขาขโมอยอันนี้ไม่ใช่หมายร่วมตรงนี้ตรงนี้ในเรื่องเหตุการณ์ให้ความจริงปรากฏให้ประจักฏในความจริงหมายถึงว่าคําสั่งสอนความถูกต้องซึ่งพวกเราก็จะต้องอก็จะต้องแยกแยะเหมือนกัน เ, เวลาพูดถึงความจริงมันมีความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความจริงที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราจะยึดถือเรื่องความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงได้นี่หมายถึงว่าความจริงที่มันเป็นกิริยาเป็นเป็นการปฏิบัติเป็นคำพูดของเราเป็นความเข้าใจของเราอันนั้นไม่ใช่ความจริง ที่มีความเสมอมันไม่ใช่ความจริงทุกมุมมันอาจจะเป็นความจริงในมุมของเราเรามองว่ามันเป็นความจริงแต่ความจริงในทุกมุมความจริงที่สม่าเสมอที่ถาวรเนี่ยก็คือคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى อันเนี้ยอันเนี้ย ق ق. ฉะนั้นเป็กรทานป้าประสงค์ของอี่เราพูดกันไปแล้วก็ะีา่จะที่ความจริงได้วระจักรด้วงวิธีใรดกน้วก็จะมีารดเรที่เาันไปแล้วก็ะมีการด้ึงาพดันไ้ก็จะมาดเ่ี่เันปล้วก็จะมีรพูงเรืองที่เราพูดกันไปแล้วก็จะมีารพูดงเองทเราพูดไป้ให้เป้าประสงค์นี้ถูก ถูกระบุชัดเจนสองครั้งเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่อัลลอจะจะช่วยเราแม้ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่นั่นนั่นคือนั่นคือผลที่อัลลอจะให้เกิดขึ้นก็คือให้ประจักษ์ความจริงผลลัพธ์ สำหรับเราอาจจะไม่พึงพอใจสงครามบัตรชนะเพื่อประจักษ์ความจริงสงครามโหถแพ้เพื่ออะไรอะ่ะก็ประจักษ์ความจริงเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ของสงครามมถเนี่ยมนุษย์พอใจไหมไม่พอใจแต่ a ลล a h ให้เกิดขึ้น เรามีบทเรียนแบบนี้อะไรบ้างในชีวิตของเราอะไรอะไรที่พวกเราได้ประสบ ป, ประสบตลอดในชีวิตของเรามันไม่จาเป็นเสมอนะว่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องพอใจ ต, อต้องยินยอมต้องต้องชอบ <c oughs> เราต้อง คิดให้ดีว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นมันต้องมีให้กมาต้องมีต้องมีผลดีใหกมาเราจะธิบายว่าเชีวิตเดียบตรงนี้ม่ชีวิตยบปัญญานะให้กมาในมันต้องผลดีเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นที่จะปรากฏ กับเราแต่แน่นอนคนเราก็อยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่พอใจในสงครามบัตรนบีละสฮาบะต้องการชนะในสงครามอุฮุดนบีละสฮาบะต้องการชนะในสงครามบัตรนบีละสฮามะขอดุอิสงครามอูฮุดนบีละสฮามะก็ขออุทิแต่ผลลัพธ์ ไม่เหมือนกันผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนี่ขนาดาการต่อสู้ระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสู้ระหว่างความยิงและกับความเท็จและฝั่งหนึ่งคือระซุ่ของอัลลอฮ์ศาสนาทูลของอัลลอฮ์ الله, สาวกของนบีอีกฝั่งหนึ่งคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะ แต่เอามาให้ผลลัพธ์ของแต่และเหตุการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนั่นหมายรวมว่าการที่เราจะได้บทเรียนและได้ประโยชน์และผลดีมันไม่เสมอไม่เสมอไปนะครับว่าเราจะต้องพอใจในผลลัพธ์นั่นหมายรวม ไม่ไม่ไม่จำเป็นเสมอว่าผลดีคือต้องมีกำไรทำธุรกิจลงทุนโอ้ได้กำไรเยอะแยะแต่เอากำไรเอาสตังไปใช้ในหนทางที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีลงทุน แต่ขาดทุนแต่พอขาดทุนแล้วทำให้เรามีปัญญามีประสบการณ์มีความระมัดระวังมีบทเรียนกลายเป็นเรื่องดีไหมกลายเป็นเรื่องดีซึ่งตร ง, ตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ของการลงทุนได้ทำธุรกิจแล้วก็ได้กําไรแต่เราคิดว่านี่คือผลผลลัพธ์ที่ดีแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดี เพราะเราเพราะเราไม่มีส่วนได้ไงมีส่วนเสียแล้วก็ส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นนเป็นส่วนเสียก็คือขาดทุนแต่เราเสียที่ที่ได้มาน ะ, ะได้กำไรได้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ปัญญาได้ประสบการณ์บางที วิกฤตวิกฤตเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นท่าแท้ของตัวเราแล้วก็คนข้างๆเราด้วยอ่พอมีกำไรมีสตังนี่เนี่ยคนเยอ ะ, อะใช่ไหมแต่พอสตังน้อยอ่ะทำไมอ่ะเอ่อพอตังน้อยนี่ก็ไม่มีไม่มีคน ทั้งหมดนี่เป็นบุเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องไม่ไม่เปลี่ยนตัวเดนกับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าแะ ت ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้รับใช้พระเจ้าเนี่ยรับใช้ศาสนาของพระเจ้าเนี่ยก็จะต้อง อินยันในเรื่องสําคัญมากเนยว่าเราคนเดียวเนี่ยมุมินคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉะนั้นเราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และนี่คือสิ่งที่ท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้ทํา نبي ไม่ได้บอกว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องเราทำสงครามเรารับใช้อัลลอฮเดี๋ยลลอฮก็ช่วยฉันเป็นรัศูลของอัลลอฮ์เดวลลอฮก็ช่วยอัลลอฮ์มีอาบัริงานว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในค่ำคืน ที่กองทัพของมุสลิมแล้วก็กองทัพของมุสลิมินเด็ยก็มาปักหลักแล้วในตําบลบัตุแล้วก็รอเช้ารุ่งอีกวันหนึ่งพอสว่างขึ้นนี่ก็จะก็จะลงมือกันละประทะกันละ ค, ค่าคืนนั้นนะก็ทุกฝ่ายนี่ก็จะก็จะพักผ่อนเต็มที่นะพักผ่อนเต็มที่ก็ว่า อัลลอฮฺเนอับบาสบกว่สฮาบ่านี่ก็พักผ่อนเด็มที่หลับนอนเด็มที่แต่ท่านนาบีคนเดียวที่นอนไม่หลับแล้วก็ยืนขอดุอาละหมาดขอดุอาต่อราะสุบฮานอหัวตาขยันขยอต่อราะสุบฮานอหัวตาล่ขอความช่วยเหลือขอชัยชนะให้ปรากฏให้ปรากฏ a l l a سبحانه وتعالى كد يباك كد يلاو رغني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ ذ تستغيثون ربكم ت ر ن ر م ل ك ن ا ت ب و ت و ขอความช่วยเหลือยามขับขันตอบ ต่อพระเจ้าของพวกเจ้า อ, อิสติราซาเนี่ย <c oughs> ก็คือการขอความช่วยเหลือในช่วงที่ขับขันนะ ท, ที่ลำบากถ้าท้าไม่ขับขันเนี่ยก็ไม่เรียกว่าอิสติอาอัอิสติราซะอย่างเดียวนะเนี่ยคำเดียวอิสติราซะมีวิกฤติอยู่ มีปัญหาอยู่มีมีความลําบากความเดือด ร, ร้อนอยู่จึงขอความช่วยเหลือเขาก็เลยแปลนี่บอกว่าแปลบอกว่าขอความช่วยเหลือยามขับขันขอความช่วยเหลือเฉยๆอาจจะไม่มีความลําบากก็ได้อยานะอิสติยานะอิสติยานะอัลลอฮุมนะอัลลิ โอ้ oh, Allah, d, a l a h ได้โปรดช่วยเหลือฉด้วยแต่แ้าอิสติอันนี้อันนี้เดือดร้อนอันนี้อันนี้ขอแบบแบบลำบากมากแล้วอะทนไม่ได้แล้วถึงความเดือดร้อนมากแล้วอิสติอยซะฉะนั้นในในดูอาของท่านนบีมีทั้งสองอย่างอยาามที่เราไม่เดือดร้อน ความที่ไม่เดดร้อนก็จะใช้คาว่าอนนีเนดของท่านนบีอัลลฮมะอนนีความช่วยเหลือจะได้รัลือกถึงพระองค์บารบูชาตัวพระองค์อย่างดีอย่างสวยงามจะมาใช้อิสติฆซะอนนีไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีความเดดร้อน แต่ความเดือดร้อนนี่มันอาจจะเกิดขึ้นในในเรื่องอื่นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความเดือดร้อนที่อาจไม่ปรากฏในทุกขณะและความช่วยเหลือที่มีอาจ ช่วยได้นอกจากความช่วยเหลือที่จะต้องมาจากอัลลอฮฺซุลฮานาอูดาลเท่ า, น, น, านั้นซึ่งสภาพนี้ก็อาจจะมีในทุกในทุกเมือ่อสภาพอะไรสภาพที่เราอาจจะมีความเดือดร้อนแต่เราไม่รู้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ และไม่ใช่คนฉลาดนะที่จะรอให้เดือดร้อนเสียก่อนถูกต้องไหมเอาไว้จะร้อนเดี๋เดี๋ยวไว้เสียขอใจเดี๋ยวไว้ขอถูกต้องไหมฉะนั้นควรที่จะขอแล้วก็สมมุติสมมุติความเดือดร้อนมันมีอยู่อยู่ไว้ไว้ก่อน จึงมี دعاء อิสติรอสอะดอาขอความช่วยเหลือในยามเดือดร้อนยามขับขันเนี้ยในทุกยามเช้าและก็ยามเย็นดูอาในยามเช้ายามเย็นเนี่ยนบีสุวรรณเขอเลยละฮุหมะบิรห์มัดิกอัลตักรฟฟลาตินีอลานฟซีตรฟตานอัลลอ ข้าพเจ้าขอขอความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาของพระองค์ในยามที่ฉันเดือดร้อนขอไว้ก่อนทำไมอ่ะแฟลตกิลนีอีนะ ไ, ดได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉันเนี่ยพึ่งพาความสามารถของตัวเองเพียงคนเดียวคือเราสมมุติไว้ก่อนว่า เราจะต้องมีความเดือดร้อนและตัวเราเองเนี่ยจะช่วยตัวเราเพียงคนเดียวไม่พอช่วยไม่ได้ครับฉะนั้นขออิสติกลาเซไว้ก่อนในอิสติกลาเซด้วยอะไรครับด้วยความเมตตาของอัลลฮ سبحانه แล تعالى ท่านีตินบีซัลลัลลอฮฺอัลลอฮ์วะสัลลัมขอความช่วยเหลืออิสติกลาเซขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ในยามที่เดือดร้อนจริงๆ มาจากไหนอะเขาบอกว่าสำนวนดุอาที่ท่านนบีขอมุฮัมมัดอะบบอสบอกว่าสำนวนอุอาที่ท่านนบีอัลลอฮุมอินทฮลิกฮาดิฮิลัยซับะ عبد ฟิลอาร์ดีอัลลอฮ์หากพระองค์ไม่ได้ช่วยเหลือพวกเราแล้วกลุ่มนี้กลุ่มสาวกของฉันเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยที่มามาต่อสู้เพื่อพระองค์เนี่ย ถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วไซถ้าพวกเราเนี่ยได้พินาศไปแล้วในสงครามนี้นะก็จะไม่มีใครอิบาดะต่อพระองค์บนผื น, นแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยครับขันเนี่ยแต่บีขอขอขนาดนั้นเลยขอจนกระทั่งท่านนาบีเนี่ยในสงครามวะตุลขบะว่าท่านนาบีเนี่ยใส่ชุด เขาเรียกันริดาเหมือนสุดฮุย้าที่เขาใส่เนี่ยผ้าคลุมไม่ใช่เสื้อนะไม่ใช่โตบนะเป็นผ้าคลุมซึ่งอาหรับนี่เขาก็ใส่กันเหมือนทาฮันดัลและอมร้อนก็จะมีก็จะมีผืนด้านล่างนี่นะแล้วก็ผืนด้านบน แต่ไหมืนนั่นบนเนี่ยเขาได้กรดะดิ่งก็คือผ้าผ้าคลุมคลุมบ่าคุมไหลนะคลุมบาคุมไหลเนะนี่ยนะไยกมือยกมือจนกระทั่งผ้าคลุมเนี่ยหล่นปกติแล้วนี่ผ้าคลุมแบบเนี้ยเหมือนที่ลุงมนันแต่ไม่ได้ผูกแบบแบบแบบนิกน่นิกไทยแบบเนี้ยนะ ผ้าคลุมเหลือแต่เสื้อแดงเหลือแต่ผ้าคุมสีแดงนไม่ไหาคลุมบ่าคลุมไหล่เนี่ยปกตินี่คลุมลาคลุมไหลนี่นี่ก็เหมือนเสื้อแล้วไงเหมือนต๊บแล้วไงมันคุมอ่ะมันปกปิดไงแล้วก็ต้องรักษาการปกปิดใช่ป่ะแต่การนี่ยกมือยกมือจนกระทั่งผ้าผ้าคุมเนี่ยมันหล่นไปเนี่ย ลนไปนี่ก็หมายถึงว่านาบีด้านบนนี่ก็ไม่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรปกปิดละนั้นแสดงถึงความแบบว่าความที่ท่านนาบีขออย่างจริงจังอะ่ะจนกระทั่งอบูบักริต้องก้มต้องก้มไปหยิบไปหยิบผ้าคุมเนี่ยแล้วก็มาคุมท่านนาบีอีกพยายามคุมท่านนาบีแล้วก็กอดนบีจากด้านหลังกอดนบีจากด้านหลังแล้วบอกว่าท่านนาบีครับ เพียงพอแล้วที่ท่านขอแล้วอามเนี่ยคงรับอิสติจาบะให้หมายถึงว่าตอบรับท่านแล้วท่านไม่ต้องขอขนาดนี้ก็ได้เนี่ยอัลลอฮจะว่าอิสตอิสต์ตกิธุนะรบกุมฟัสต์จาะลกุม แล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสนองแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ก็ตอบรับฟาสตาเจวฟา ฟ, ต า, ตวฟาตัวฟานีฟาสตเจานตัวฟาตัวเนี่ยมักจะใช้ระหว่างสองกิริยาระหว่างสองกิริยาเพื่อแสดงความรวดเร็วที่เกิดขึ้นใน ช่วงเวลาระหว่างสองกะเรียนบีขออัลลอฮ์ตอบฟัสต์เจ้าเบลกูถ้าถ้ามันมีระยะนะจะใช้ซุ่มซุ่มแต่นี้ฟัสต์เจ้าอิศร์ธกิษุนนบีขอฟัสต์เจาบตอบรับเลยอุลามาจึงบอกว่าการขอดุอาเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะทําให้ อัลลอสุบัยน์ัดาละตอบรับอย่างรวดเร็ว 1. สภาพของผู้ขอสภาพของผู้ขอ 2. ส, สภาพของการขอถ้าสภาพผู้ขอและสภาพการขอแสดงถึงความคับขันความเดือดร้อนยิ่งเป็นเหตุผลให้การตอบรับเนี่ย มาอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยเราไม่เคยเดือดร้อนแต่เราขอขออย่างอย่างอิสติกรซาเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลหนึ่งเราอิสติกรซาทั้งนันที่เราไม่ได้เดือดร้อนนี่สภาพอะไรอะสภาพอะไรสภาพผู้ขอหรือสภาพการขอ สภาพการขอสิคือผู้ขอนี่เดือดร้อนจริงหรือไม่เดือดร้อนจริงเนี่ยสภาพผู้ขอสภาพของผู้ขอและเรื่ของการขอเนี่ยสำนวนที่ขอเนี่ยจะใช้สำนวนอิสติกรซะหรือสำนวนอิสติอาเนธรรมดาเนี่นี่สภาพการขอ บคนสมมติอะ่ะคนเดือดร้อนคนไม่เด็ดร้อนเงินแต่ตอนมาขอโอ้บังบังบา ง, บา ง, บางผมผมเด็ดร้อนนี่มีสภาพอะไรสภาพการขอที่เขากาลังขอนี่นะเขาแสดงแสดงการขอที่แสดงความเดือดร้อนเขาอาจจะไม่เดือดร้อนก็นได้แต่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆล่ะ ม, มันอาจจะอาจจะมีมีสัญญาณอย่างอื่น มันมีอาจจะมีหลักฐานอย่างอื่นใช่ไหมปกติแล้วในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยจะใช้อิสติกลซะถ้าไม่เดร้อนยริงเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคือท้าไมครับขันจริงๆอ่ะจะใช้คําว่าอิสติกลซะไม่ได้ สิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าต้องต้องเดือดร้อนจริงๆอะไรนะเบอร์ของตำรวจที่เรียกว่าเรียกอะไรนะ191ใช่ไหมถ้าเพื่อนบ้านนี่เอาดอกไม้มาทิ้งหน้าประตูบ้านเราอะเรียกได้ไหมหนึ้าหนึ่งช่วยหน่อย รูดิเพื่อนบ้านก็อเอาดอกไม้มาทิ้งหน้าบ้านผมบอกว่าโอ๊ยอันนี้ไม่เดือดร้ขาอาจจะเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะมองว่ามันเรื่องไม่ดีอ่ะจะฟ้องตำรวจอ่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนคือม น, นุษย์ด้วยกันนะ่ะนะมนุษย์ด้วยกันนะ่ะมันต้องเดือดร้อนจริงๆถึงจะใช้อิสติกระมันต้องเดือดร้อนจริงๆ แต่สำหรับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่เราแสดงความเดือดร้อนสุมมติความเดือดร้อนก็ได้ถึงเราไม่เดือดร้อนจริงก็ตามเราไม่ว่าเราแต่มาทด้วยกันนะลองทำดูดิโดนเกะบานเลยเวลาว่างไงฮะไม่มีอะไรทำมังไง มันนุดีกันนะถ้าไม่เดือดร้อนนะนะเฮ้ยช่วยเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยอ๋อลาช่วยหน่อยพี่บงช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮะไ้ขอความช่วยเหลือแบบเนี้ยเ้าพอมาแล้วเป็นไรเป็นไรเป็นไรอุ้ยมันหายอ่ะมันหายไปไหนอทําได้ไหมทาไม่ได้มนุษย์กับมนุษย์ทไม่ได้อัลล์ละ ميدونا ميدونا، ر 我们ขอ إستغاثة دا الله، ไดไหม؟ได يا مشاوي يا ميني لو خو ب ر ح م ت ك أستغيث فأصلح لي شاني كله ولا تكلني يا مشاوي يا مين. เราเดินร้อนกันทุกวันยามเช้าอยาวยันฮะบางทีเนี่ยนั่งก่าวอักการยามเช้านี่กินน้ำานชาสดช า, ดชาร้อนแล้วก็ม่รทีกไม่ม่ไม่เเดือรอะไรแต่เราก็ขอความช่วยเหลือเสมือนเสมือนว่าเราเดือร้อนขอขออร้แบบที่้ ไ, ไมได้นี่เห็นปะข้อแตกต่างระหว่าง มนุษยกับมนุษย์ขอดีกันน่งมนุษย์กับอัลลอฮ์นี่ขอดีกันและความช่วยลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะรวดเร็วหรือไม่รวดเร็วนั้นไม่ได้อยู่ที่เราละละไม่ได้อยู่ที่เราความรวดเร็วอนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ت م ا ي و ل ا س ت ي إذ ذ ت س ت غ ي ث و هو هو ن ي ่วยจาก فاستجاب فا ن ي ق و ل ر و مات. هو ب ق فا ل ت ق ي ب มาจากจากเลย ا س ت ج ا ب ل ك م ่วย أني ممدكم بألف من الملائكة. มุรดิฟินแท้จริงข้าจะช่วยพวกเจ้าด้วยมาลัยกันหนึ่งพันตนโดยทยอยกันลงมาท่านนาบีเห็นไหมมาลัยกัท่านนาบีไม่เห็นสห่าเห็นไหมไม่เห็นอุลามาด้บอกว่าในสงครามที่อัลลอฮ์จะช่วยผู้ศรัทธาเกือบทุกสงคราม ผู้ศรัทธาต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮจะส่งมาอะไรก็ช่วยแต่ในทุกสงครามเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่เห็นมาไลกัแล้วใครจะเห็นนะ่ะศัตรูศัตรูจะเห็นแต่นี่อัลลอฮ์แจ้งมาบทเรียนตรงนี้นี่หมายถึงความรวดเร็วในการที่จะช่วยเหลือ หลังจากที่ได้ขออิสติกราซ่าเนี่ยส่งความอิสติกราซ่านี่ขอความช่วยเหลือมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือทันทีแต่ท่านนบีละซาร่เห็นไหมเห็นความช่วยเหลือไหมไม่ได้เห็นเป็นอะไรกันไงนี่เป็นบทเรียนสําคัญมากสําหรับผู้ศรัทธาเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่ความช่วยเหลือนี่ มาแน่นอนโดยเฉพาะถ้าถ้าครบเงื่อนไขสองเรื่องอนนะ่ะคือเราเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ขอด้วยสภาพของผู้เดือดร้อนคือการขอเนี่ยเป็นอิสติกราเเนี่ยเป็นสภาพของการขอโดยขับขันจริงๆมีความช่วยเหลือลงมาแต่เราไม่ต้องเห็นความช่วยเหลือให้มันปรากฏให้มันประจักษ์เห็น ให้สัมผัสเห็นให้ให้เห็นจ่าจ่านี่ไม่จะเป็นเสมค่นีไงสงครามพระตรถือว่าเป็นสงครามยิ่งใหญ่นะเป็นสงครามที่อัลลอฮอยากจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้พิสูจน์ได้เห็นผลของการศรัทธาของเขาเนี่ยให้ชัดเจนนะแต่อัลลอไม่ให้เห็นความช่วยเหลือได้ปรากฏ ดูอาขอต่ออ all, ัลลอฮ์สุขอความช่วยเหลือต่ออัลลอ์นี่นะอย่าได้พูดยได้เอ่ยฮะด้วยวาจาหรือรู้สึกด้วยใจอยได้เอ่ยหรือรู้สึกได้ใจคาว่าไหนอะช่วยเหลือม เพราะบางทีเ่ราก็ไม่ได้เอ่ยมาด้วยวาจาแต่ว่าเราขอความช่วยเหลือเราไม่ได้พูดหรอกไหนอะแต่ใจอะไหนอะไหนอะขอเราไม่ได้ช่วยอย่าได้อย่าได้วาจาออกมาว่าไหนอะอย่าได้รู้สึกในใจว่าไหนอะความช่วยเหลือจากเราอยู่ไหนอะทําไมอ่ะ เพราะความช่วยเหลือนี่มีแน่นอนแต่ไม่จาเป็นต้องให้เห็นไม่จะเป็นต้องต้องเห็นและความช่วยเหลืออย่างอลังกาเลยนะฟาสตาจอบารักุมอิสติยาบ้นี้สนองรับสนองดูคำขอมาเราสนอง เรื่องอะไรเรื่องอะไรจะสนองเรามีสิอะไรที่จะสั่ง Allah หรอแตอิสติาบะฮ์เนี่ย้วกรื่องในในในสำนวนภาษาอาหรับนี่แหละอิสอิสติาบะฮ์เนี่ยหมายถึงว่า h ตอบรับ a l สนองตอบรับตอบรับทไมอะในฐานะอะไรอะ ในฐานะที่เราสั่งอัลลอฮ์หรอไม่ใช่ในฐานะที่เราได้แสดงความดํ่ต้อยกับอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และ تعالى ในสุรษะอลอิมรอนอัลลอฮ์ไบอกว่าเราได้รับการอัลลอฮ์บิบื่อแันทุมอัลิลล์อัลลอฮ์้ช่วยอัลล์ส่งโดยแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเจ้าในบื่อในสงครามบื่อ ว่าอันตุมขณะที่พวกเจ้าอาดิลละขณพวกเจ้านี่ตาต้อยอาดิลล์นี่เป็นพระหูพจน์แต่เมื่อช่พระหุพจน์ที่มีจํานวนมากเพราะพระพจนนี่บางทีพระพจนนี้แสดงถึงจํานวนมากกันนะไอ้อาดิลล์นี่พ ร, ระหูพจน์นี่จำนวนน้อยโอเลมาก็บอกว่า โอว่านศรัคุมงานดิลล์ินติลล์ติลลเนี่ยจำนวน้ยอิลล์แปว่าจำนวนน้อยพวกเจ้าก็จำนวนน้อยแล้วก็ต่าต้อยอัลลอสนองตอบรับทั้งนั้นที่พวกเจ้าเนี่ยน้อยและต่าต้อยเพราะมันมี มันมีบทเรียนที่ผู้ศรัทธาต้องได้ในยามวิกฤตยามยามยามเดือดร้อนเนี่ยที่ต้องได้นี่ยคัญที่สุดเนี่ยก็คืออัจรรุดมินลฮลวัลีอัลกวะอัจรรุดแปลว่ารู้สึกปราศจาก พลัอนาจควาอวุ่นวาไม่มีพลังไม่มีอำนาจรู้สึกปราศจากพลังและอำนาจยิ่งผู้ศัทธาตอนขณะขณะ ข, ขอ dua ยิ่งมีความรู้สึกปราศจากอำนาจและพลังนะยิ่งพลังและอำนาจของอัลลอุบฮานะวดาลยิ่งมาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ศรัทธานี่ได้เห็นคุณค่าของอำนาจและพลังของพระสุภาราหัวตาฉะนั้นเป็นสิกที่สำคัญที่สุดที่เราคา ว, ร, าวครกล่าวเสมอแม้ว่าเรามีอำนาจและก็มีพลังให้กล่าวลาฮาวะลาโควะตะอิลลาบิลลาไม่มีอำนาจไม่มีพลังใดๆนอกจากอำนาจและพลังของ Allah แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงนะแข็งแรงโอแข็งแรงแล้วก็มีคนมาช่วยช่วยยกกระสอบนี้หน่อยยี่สิบกิโลอทิบจบเยอะไม่เพราะบางทีเนี่ยเคยยกมาก่อนนั่นนะห้าสิบกระสอบห้าสิบกิโลน่ะยกสบายเลยนะครับพอมาดูถูกแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราโอ้โหสบายเลยเนี่ยสิบจิบจิบเนี่ยพอมายกแล้วอะนะ ข้อกระดูกคอยู่ดีๆเลยง่อยละเราต้องทอมดนแข็งแรงไหวก็จริงนะนะเนี่ยเราเรามีอำนาจเรามีพลังเราแข็งแรงเพราะอัลลอฮ์ช่วยสิ่งเดียวกัน อำนาจพลังนี่อันนี้ในเชิงรูปธรรมหรือในเชิงนามธรรมนะเวลาไม่มีรายได้หรือเวลาไม่มีรายได้หรือในบัญชีไม่มีตังขอด่ออวนหรือโอลโดดิคอริสกีขอฮนะขอเหลือเกินแต่พอบัญชีเต็มละเตอไม่ขอละ พอมีแล้วนะพออัลลอฮ์ให้แล้วนะอยากให้คนอื่นขอแล้วเราไม่ขอแบบนี้อัลลอ์ไม่ชอบสิ่งสิ่งที่เราเนี่ยบทเรียนเนี่ยบทเรียนในสงครามบัดเนี่ยอัลลอ์สอนว่าขอเนี่ยมันเป็นเรื่องดีตลอด แล้วสอนแล้วจะได้ไม่บอกว่าลอดไม่ได้สอนนะเพราะในสงครามอุรุ์เนี่ยพอมุสลิมเยอะละแล้วก็รู้สึกกลังการละรู้สึกเขาจะชนะละแพใช่ไหมทางนี้หมดเรื่รียนหนึ่งปีนะหนึ่งปีผ่านไปแล้วหนึ่งปีแต่ไม่ได้ใช้ เร a, divide, e e, ื่องอะไรเรื่องอิสตาตเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรื่องรู้สึกต่ําต้อยรู้สึกด่ําต้อยรู้สึกน้อยนิดรู้สึกปราศจากพลังอานาจอื่นจากอานาจและพลังอลอฮฺ س ะไม่มีไม่มีค่าเลยถึงแม้ว่ากองทัพนี่ในสงครามบสา้อย สูงกับขดนี่สามเท่าเลยนะมุสลิมนี่ก็พันกว่าและแต่เขารู้ึกว่าเยอะเะเยอะกว่าบัตหูนี่ขนาดบัตหนสามร้อยนีเราเรายังจัดการมันได้เลยนู้ขดนี่เราสามเท่าแต่กุฟานนี่ก็เยอะกว่าอีกสามเท่านะสามพันะแต่เขาเขาก็รู้สึกเยอะนาะเนี่ยเอันตรายมากเลยหูนี่ขนาดตอนนั้นสามรอนี่เรายังเอามัน เอาอยู่นั่นอนะ่ะมีที่แรกนี่สามรอยนี่เอาอยู่แั้วปีนี้เราพันหนึ่งนะ่ะปีก่อนนะสงครามบาสเนี่ยสามร้อยสามร้อยสิสู้รบกันนะ่ะไม่มีมา้าไม่ขีมขม่ม้าขี่ม้ามีม้าอยู่ตัวเดียวยังเอาอยู่เลย นี่นสงกำลังคนเนี่ยโหนี่มากันเป็นร้อยเลยอะจแต่สู้ไม่ได้ไงโหสบายนี่ความสิเลี่อัลลอฮฺซุบฮฺฮะวะลาย์มาเยงบูซาดวยรักเคุอัลลอฮซุบฮฮะฟัสตจ้าเบลคุณอันนี่มุดดุคุณเบอฟิมีนั่มาลาอิกติมรดิฟนแท้จริงข้าจะช่วยพวกเจ้า ด้วยมาละอีกหนึงนนน่งพันท่านหนึ่งพันท่านเนี่ยจะดีกว่าเนาะต้นนี่เป็นยักษ์เป็นอะไรในในในยะในในวัฒนธรรมภาษาไทยเนี่ยมาเลยก็ไม่ใช่คนบอกว่าหนึ่งพันคนก็ไม่ใช่คนแต่มาเลก็ที่มาช่วยเนี่ยมาช่วยในฐานะในฐานะเป็นทหารที่มาจากอัลลอฮ มาช่วยทาหารผู้ศรัทธาใช่ไหมก็ใช้สภาวธรมหรือลักษณะที่มันที่มันมันเข้าได้กับอะไรก็แต่อะไราที่มันอาจจะทำให้ เ, เข้าใจเพี้ยนไปหน่อยหรือมีความเข้าใจเนียมันควรที่จะหลีกเลี่ยงควที่จะหลีกเลี่ยงความหมายคุรานของ ของเล่มอื่นเนี่ยก็ตนนี่ก็ไม่ได้ใช้แต่อันนี้ก็คงเข้าใจว่าอันนี้ช่วงสิบสุรห์สิบยุทแรกเนี่ยผคือได้รีวินามาดรามดลคงอยากจะให้รู้สึกว่าที่มาสู้มาสู้กับามาสู้กับผู้ศทธาเนี่ย ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเป็นมะลาย์กะตัวใหญ่ใหญ่ก็เลยใช่หรอ0 0ึตน <laughs> มันก็อาจจะเสริมความรู้สึกว่าโอ้มาเลาเลยกะแบบไม่ธรรม ด, ดาก็าจริงอนะันนัในในในในรายงานต่างๆนี่ว่าเอ่อมะลายก์ก็รายงานในเรื่องอิบรามอามาับมุด แล้วไอ้มาลตูบรานีหลายรายงานนะครับที่ที่อัมตุลบเนี่ยบัสเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็มีของริฟ่าอับดุร่าฟะรายงานจากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลลัมท่านนบีเล่าวมาเลกันมาสองสองกลุ่มทยอยเนี่ยว่าทยอยมาโดยทยอยกันมามุรดิฟีนทยอยกันมาที่มาชุดแรกเนี่ย นำโดยท่านดิบรีลมาชุดที่สองเนี่ยโดยท่านมีแกอีลบางแรงงานบอกว่าชุดแรกเนี่ยมาเลยก็หนึ่งพัแล้วก็ชุดที่สองนี่อีกหนึ่พรวมทั้งหมดนี่มาเลยก็กี่พันสองพแต่บางแรงงานบอกว่าที่จริงเนี่ยชุดแรกนี่ 500. แล้วก็ชุดที่สองเนี่ยอีกห้าร้อยรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันก็คือช่วยเหลือเบลฟินหนึ่งพันท่านโดยทยอยกันนะตัวทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งพันทั้งจำนวนหนึ่งพันเนี่ยทยอยกันมาไม่ใช่มาหนึ่งพันแล้วก็ทยอยมาอีกหนึ่งพันะอันนี้มีสองเร่งงานแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่ามีมาอะไรก้าลงมาช่วย มุรดิฟีนไดว่ายจเยมีอุลมามบางท่านบอกว่าอัลลอฮช่วยเหลือด้วยมาลายกะให้เป็นกำลังใจเท่านั้นไม่ได้ส่งมาลายกะให้มาสู้รบกับผู้ศรัทธาเหตุผล เขบาบอกว่านี่ขนาดแม่ทัพของชุดแรกเนี่ยท่านจิบรลแม่ทัพชุดที่สองเนี่ยมีกกอิลซึ่งทงัทง้ทงท่านยิบรีลและกมีกอิลเนี่ยก็เป็นอะไรกันแนวหน้าฉันนํำเลยนะท่านจิบรีลท่านเดียวนะ ก็ได้พลิกเมืองสะดุมเมืองของกลุ่มชนลูกเนี่ยด้วยปีกเดียวของท่านพลิกแล้วก็เมืองของสมูติก็ใช้เสียงตะโกนเสียงครั้งเดียวนี่ก็ระเนระนาดราบหมด แสดงว่าที่อัลลอฮ์ส่งไปนี่ไม่ได้ส่งให้มาลายกาเนี่ไปสู้เพราะถ้าหากว่าดิบริลคนเดียวมาลายกาคนเดียวก็พอไม่ต้องมาเป็นร้อยๆอย่ะอันนี้เหตุผลของของอุลมามะบางท่านนะที่เขาได้อธิบายนะเหตุผลทางปัญญานี่นะที่เขาบอกว่าโอ้มล า, ายกาเยอะไปถ้าถ้าจะให้มาลายกาสู้ด้วยนะท่านเดียวก็พอแล้ว ยิบรีลท่านเดียวนี่ก็จัดการราบหมดแล้วเหตุผลที่สองนี่เขาบอกว่าว่ามาจะเล ل ل ให้เราอิล ا ่าบูชรอแลอัลลานน์เนยส่งให้มันมีขึ้นคือการส่งมาเลยกัไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นบุชรอเป็นข่าวดี บูชราไปว่าข่าวดีโอพอรู้ว่ามีมาเลย์ก้านนี่มาช่วยทยอยมาช่วยเป็นร้อยอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นข่าวดีก็เป็นกำลังใจแต่ไม่ได้เป็นกำลังทหารเสริมวล่ลตัตมาอินนะบกีกุลูบุกุลและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบขึ้นด้วยสิ่งนั้นก็คือด้วยการส่งมาลยา์ค่ะมาช่วย อันนี้เหตุผลของอุลลอฮกลุ่มเนี้ยที่เขาบอกว่ามาเลย์ก็ที่ลงมาไม่ได้สู้แต่ในรื่งานที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคฮารีแล้วก็อิหม่ามอับดุลลาบางรื่งานเนี่ยที่สัฮาบะในเล่าว่าดูเหมือนว่ามาเลย์ก็ไม่ได้ไม่ได้มายืนมองดูไปก็ที่ลงมานี่ลงมือด้วยลงมือด้วย เช่นรายงานของอับดุลลาฮ์มีอับบาสีบอกว่ามีสหายท่านนาบีท่านหนึ่งก็ําลังสู้กับฝั่งมุชริกินคนหนึ่งเขาบอกว่ามีมลัยกาท่านหนึ่งอยู่ข้างหลังสหายท่านนี้แล้วก็ถือแสกำลังฟาดแสเขาบอกว่ายังไม่ทันจะเอาดาบลงไม่ยังไม่ทันจะฟัน ฝ่ายมุชริกินน่ะเขาบอกว่าแซ่ของของมาลลยกาเนี่ยก็ฟาดหัวไปแล้วเนี่ยจมูกขาดแล้วก็แสดงว่าอันนี้ลงมือทิิงนะนะไม่ได้ไม่ได้เป็นกำลังใจแล้วก็อีกรงงานหนึ่งที่อับดุลลาบีอับบาสบอกว่า ฉเฉลยฉเฉลยสึกที่ถูกจับแล้วก็นบีถามสหายบ้าที่ลากลากเข้ามานี่ใครจับเข้ามาสายบ้์ที่จับมาบอกว่าผมเป็นคนจับเองลากมาเองแต่ไอคนที่ถูกจับนี่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ที่จับฉันเนี่ยไม่ใช่คนนี้อ่ก็แสดงว่าอะไรก็ลงลงมือด้วย <c oughs> จึงมีน้ำหนักมากกว่านะครับบวช ใช่การส่งมลาร็กันนี่เป็นกำลังใจเป็นข่าวดีดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละได้ได้ระบุชัดนะครับในในอายะเนี่ยแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่ามลารกัไม่ได้ช่วยมิเช่นั้นอัลลอจะไม่ใช้คำว่าอันนีมุมิดุคุมแท้จิงข้าจะช่วยช่วยพวกเจ้าด้วยมะเร ว่าคำว่าม um ูมิดดุกุมนี่มาจากคำว่ามาดัดมาดัดแปลว่ากําลังเสริมและกําลังเสริมนิดเพราะอะไรเพราะฝ่ายทหารของท่านนบีและสหาเนี่เขามองว่าเขาหนีจโดดโดํานวนน้อยอาวุธเขาก็ไม่ค่อยพร้อมแล้วเขาจะเอาชนะได้ไงอ่ะทหารของมุสลิกมอัลลอฮ์ก็ เ, เลยบอกว่ามูม um ิดดุกุมอันนี้ไม่อยู่ดูฉันจะเสริมเสริมกําลังให้ ถ, ถ้าการเสริมด้วยข่าวดีอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ใช่กําลังเสริมอ่ะมันไม่ชิมแมด่ดัดซึ่งถ้าเป็นกําลังใจอะนะก็สามารถส่งกําลังใจได้โดยที่ไม่ต้องมีมาเลย์กก็ได้ต้องมากำลังใจอะนะถ้าเป็นกําลังใจอะนะไม่ต้กงมีมาเลย์ก็ได้ แต่การส่งมาเลก์กาเนี่ยเพื่อให้มาเลก์กาเนี่ยมีบทบาทและได้ทําแต่ต้องเข้าใจว่ามาเลย์กาทำไม่ชีว่าจ ะ, สะแสดงอิทธิฤทธิ์และความสามารถเต็มที่ไหมก็จะสู้ตามอนุ ญ, ญาตและขอบเขตที่อัลลอฮฺได้อนุ ญ, ญาตไม่งั้นมาเลก์กาท่านเดียวนี่ก็ก็พอก็พอ แต่มาเลยก็แต่ละท่านนีก็จะทำเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำเพราะที่จริงอัลลอฮสุบฮานะฮวตาลถือว่าสงครามบตรเนี่ยเป็นสงครามสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาจนกระทั่งอัลลอฮเรียกสงครามนี้สงครามอัลฟุรกานด้วย ย์ม์ัลฟุรควนยายมอัลตักล์จัมแกนในสุรษะอัลไอมรันฟุรควนสงคำแห่งการจำแนกระหวงความเท็จกับความจริงอันนี้ก็สงคำฟุรควนซึ่งคำว่าฟุรควนเนี่ยเป็นฉายาศักดิ์สิทธิ์นะทำไมเ่ยเพราะเป็นฉายาของอัลกุรอาน ที่ بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير الفرقان เป็นฉายาของกุรานอัลลอฮ์ให้คุรานเป็นสิ่งจำแนกระหว่างความเท็จและความจิงให้สงครามบัตรเป็นสิ่งจำแนกระหว่างแสดงว่าสงครามบัตรขนาดไหนอะให้ฉายาเหมือนกุรานนะ และในสงครามบาตรเนี่ยเป็นสงครามที่อัลลอ์ให้ความสาคัญขนาดนั้นแม้กระทั่งมลาอิกาเนี่ยแต่ละท่านนะนะก็อยากจะมีส่วนร่วมในสงครามนั้นๆอัลลอฮ์เี่ยบอสเรื่องกานจะเดินนบีซัลลัลลอฮุวาลลอฮิซัลลัมท่านจิบริลมถามท่านนบีนีท่านนบีละฮิซซาบะฟังโอ้กะจิบรลมถามท่านนบีบอกว่า มาต่อดูนั้นผน ق า ت ل يوم بدرين ف คุ م พวกท่านท่านจิบราถิมท่านเดียวพวกท่านถือว่าคนที่ร่วมทำสงครามเป็นกองทัพในสงครามว่าเนี่ยในหมู่พวกท่านเนี่ยมีสถานะเป็นอะไรนบีบอกวกา่าถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ ص า ا ب านี่ ในมู van, nee, a, uk, ่สาวกนบีนะคนที <bows Hir> <six> mm ่ร hmm. ่วมทําสงครามกับนบีนะก็ถือว่าประเสริฐประเสริฐที่สุดแล้วและด้วยเหตุนี้เนี่ยด้วยเหตุเนี้ยอุลามานได้บอกว่าสาวบ้าที่ประเสริฐที่สุดคือใครระดับแรกอันดับแรกคัลิฟ่าสีตันหรือบักรอูมาอุสมาน อันดับที่สอง صحاب าที่นบีระบุว่าเป็นชาวสวรรค์สิบท่านซึ่งสีคอลิเวนนี่อยู่ในนั้นด้วยทัดจากนั้นเลยนะครับอัลบาดริยูน صحاب าชาวบาดร์คืออยากจะรู้ว่าอาล์ صحاب าคนไหนนี่ที่ที่บเสดที่สุดนะนี่อันดับแบบนี้ลำดับแบบนี้มาจากไหนอะเนี่ยมาจากฮานิสแบบนี้ที่ท่านนบีบอกว่าที่ท่านนบีตอบจิบรีบอกว่า คนที่ร่วมสงครามบัตในหมู so ่พวกท่านถือว่าถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐประเสริฐยิ่งและฮะดีซิกบอกนี่ยมันคือบุ khari เหมือนกันท่านนบี صلى الله عليه وسلم ว่าว่าม่ดรีคุณละหลั่งหล่อทลายอาลัยเบดริน فقالعملوا ما جيتون فإن قدر فرض لكم الله يأفيتون كأشه بدر تقول حبا ความประเสริฐของซาฮาบานี่มามาจากหลักฐานต่างๆที่ท่านนบียกย่องการันตีซาฮาบะกับมาดีซ ท, ที่จิบรีลถามท่าน น, น, นบีบอกว่าพวกท่านถือว่าคนที่ร่วมทำสงครามบัตริบุทอนเป็นยังไงนสถานะเป น, นบีบอกว่าเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งจิบริลบอกว่าชินเดียวกัน บรรดา马าอิกาที่ร่วมทําสงคำบัตรเกับพวกท่านเราดูนะในบรรดา马าอิกาเนี่ยมาลาอิกาที่ประเสดที่สุดนี่นะครับหนึ่งอัลมาลาอุลอาลาเพราถูกยกย่องจากอัลลอฮาในกุรานสองก็คือมาลาอิกาที่ร่วมทําสงคำบัตรกับกองทํากับสอบะในสองคำบัตร และหลังจากนั้นบันดาคลาีวทั้งหลโดเชวาอาบักรูมารอสมาร์อาลีนี่ก็จะถือว่าชาวบัานเนี่ยเป็นเสมือนเปรียบเสมือนขุนขุนนางที่ต้องปรึกษาทุกเรื่องไม่ปรึกษาไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นรุ่นบุกเบกิกเป็นพวกก่อตัง้ง โอมาร์อาวุปกโอมารเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะนะเรียกชาวบัติร์มาชาวบัตรเรเป็นที่รู้กันเลยสมเก่าบัดนี้กี่ปีละหน่งพันสี่ร้อยปีแล้วะน่ะพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนะที่มาบุคหรีได้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นตำราที่สอเฮียที่สุดหนึ่งพันสี่ร้อยปีนะลิสซาฮาบะ ที่ร่วมสงครามนี้เนี่ยทุกคนเลยพันสีรีไม่มีลิสต์นะลนะไม่มีไม่มีลิสต์ในโลกนี้เนี่ยไม่มีรายชื่อในโลกนี้เนี่ยที่เคยร่วมสงครามหลักร้อยนะีแล้วถูกจดจาทุกคนสงครามใหญ่โตอะไรแแม้กระทั่งในอาณาจักรยิ่งใหญ่เนี่ย อะไรจะทจีนอินเดียที่เคยมีสงครามสามก๊กนี่นะพ่ดูดิแต่ละสงครามสำคัญสำคัญเนี่ยระ บ, บุมไม่สงครามนี้มีใครร่วม ม, มีมีไหรายละเอียดมีมหมก็สุดท้ายนีก็ได้แต่รวมทั้งหมดเนี่ยของของสามก๊กนี่ประมาณห้าสิบคนนะนะพอที่จะจำชื่อได้ แล้วก็บางชื่อก็ออมีขิลาฟเยอะแยะไปหมดใช่ไม่ใช่เนี่ยจะอุปโลกก็ได้แต่ น, นี่สิบสามร้อยสิบเจ็ดคนรายชื่อสฮัฮาบัดจดจำและบรรดาอุลมามะฮะดีษได้ถ่ายทอดกันมาราย ง, งานมาจนกระทั่งอิบาม บ, บุคอรีสามารถรวบรวมจา ก, จากสายราย ง, งานแล้วก็ จะรึกไว้ในซอยบุคเรซึ่งนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นนะครับว่าการรงงานของของซหฮาบะเนี่ยอัลลอสุบันะวะดาลัสทรงคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะ เป็นคนบันทึกความคำสั่งสอนดันั้นเราจะมาอ่านกุษานจะมาอ่านหะดีษไม่ต้องแข่งแท้ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนี่ขนาดรายชื่อกองทัพทั้งหมดเลยเขายังจดจำกันจนได้อะ แต่มากี่สิบอายาของของสงครามบัลติติลงมากี่ร้อยอายาของสุรานี้กี่ร้อยอายาของสุรานี่ฮะสหบาจบําบักกาละกี่ร้อยอายานี่สักสองสองร้อยกว่าอายานี่ยธรรมดาพอสหบาเหล่านี้เนยเขายังจดจำรายชื่อคนที่ร่วมสงคราม ซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นไงศักยภาพความสามารถของสอบว่าในการจดจำไงท่านไก่เจ้าบอกว่าจดจำสูร้อยย า, าวได้ไงยิย่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้เขาทำยิ่งกว่านี้ซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ให้เรื่องนี้เลยเป็น เป็นมรดาสัตร์อีกอย่างหนึ่งที่ประทานไว้ให้แก่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดเลยเรื่องจุดจำโดยเฉพาะจุดจำคำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนมันไม่ใช่เรื่องนิยายปรัมป่า ว่าอ wow. ya, ิมามบุคารีเขาจดจำฮะดีแสนบทอิมามคนโน้นจดจำฮะดีท่องจำฮะดีสองแสนไม่ทุกวันนี้นี่ก็ยังมีอุลามะทวโลกันนะก็มีอันนี้มีอุลามะที่ซาอุดี شيخ ยาหียาฮียานจำฮะดีทั้งหกเล่มเลยนะบุคฮารีมุสลิม ข บ, บุดาวานน่ะใส่ทีมีชีิตในมาจาเนี่ยังหนี้ก็เป็นแสนละพร้อมสายเล็กจำจจำเนี่ยจำเนี่ยบอกเขาเลยว่าหะดีสของเนี่ยนะ เ, เขาก็เละรายงานเลยพร้อมสายรายงานนะพร้อมอิสนาดด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องแล้วก็เขาเคยทำเคยจัดจัดประกวดแข่งขันนะนะแล้วก็ชิด เอ่อย่าพยาพี่อันนี้ซึ่งเป็นเป็นเป็นครูที่สอนหะดีซีมัส jid ฮะรำเนียเป็นคนที่สอบสอบนักศึกษาที่เข้าประกวดเข้าประกวดท่องจํานี่แหละท่องจําสายบุครีมุสลิมแล้วก็ตําราอื่นๆนะแล้วมีนี่เพื่อนผมคนหนึงอยู่ที่จอแดนลูกเขาเนี่ยจำฮะดีสุดสองหมื่นสองมืนบทตัวเล็กๆ เ, เนี่ยเด็กตัวเล็ก มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีปรากฏให้เห็นในประชาชาตินี้เนี่ยมาโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องใส่เสือ้อแดงไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปเล่นในสนามใหญ่โตอะไรหมาหลานไม่ต้องโดดดังนะ ยิงเข้าประตูสู่อยู่ชูก้นี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นวราระขนาดไหนเลยนะคขนาดแต่คนที่เขาคนที่เขากํนนาลังปกป้องศาสนาขนาดไหนนะลูกหลานของมุสลิมทั่วโลกที่ท่องจํากุรานมันอัศจรรย์มากกว่ายิงยิงเข้าประตูนะฮะมันอัศจรรย์กว่ามาซาลาเนี่ย มันอัศจรรย์กว่าน่มันยิ่งมันเป็นมหัศจรรย์จริงๆนะเรามีลูกหลานฮาวิทกุรานเนี่ยต้องจำกุรานต้องจำฮด د ي ส่งี้มีประโยชน์สำหรับประชาชนอิสลามสำหรับสังคมมากกว่านักเตะบอแต่เดี๋ยวนี้ไปถามเด็ก รู้จักเชค ย, ยั حي ยาเยลายยียพยาใครเลียาที่ต้องที่ต้องจําหนังสือหะดีสกุฎานนี่ไม่ต้องพูดนะคือพวกนี้เนี่ยมีบางกลุ่มมานะบางกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลนไปอยู่กับเขาเนี่ยอย่าบอกว่าท่องจำํำกุฎานนี่โดนดาะะ่าเลยอ่ะคือโดนดา่าแล้วก็ท่องจำํำกุฎานนี่เขาไม่คุยกันท่องจำํำกุฎานนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นน้ำเจ็ดขวบเขาก็ท่องกันแล้ว โอ้โห igan ัวคนนี้อยบุคารีมุสลิมอ้าคนนี้มียนยกสไตร์ด้วยอ้าคนนี้มีมุสต์อัลอามัดด้วยโอ้คนเนี่ยโเคลมด้วยอันนี้เขาแข่งขันกันเรื่องนี้ไม่ใชไม่ใช่แข่งขันกันอ๋อได้ยิงเข้าประตูห้าสิบลูกเนี่ยได้ไปเล่นที่อังกฤษไม่ไม่ถึงเก้าปีเนี่ยได้ยิงเท่าไห ร, นะร่นะมาซาราเนี่ยอ่าจนได้ได้ถ้วยได้รางวัลเป็น แชมป์ดียิงเข้าประตูมากที่สุดถามลูกหลานของเราอยากเป็นเหมือนยัยอาลัยอาลัยใครอยากเป็นมาซลาไหมอยากเป็นอันนี้ในธํานองที่ว่าที่บรีลเนี่ยมาบอกนบีบอกว่าสหายที่บริสุทสุดพวกไหนอ่ะเขาบอกนบีบอกว่า คนที่ได้ร่วมทําสงครามบัตรจิบุรีบอกว่าใช่แม้กระทั้งมาลายกะที่ร่วมทําสงครามบัตกับพวกท่านนี่นะท่า น, นนะ่ะในสายตาของมาลายกาทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนประเสริฐที่สุดนี่มาลายกานะนี่คือมาตรฐานความประเสริฐความโดดเด่นที่ให้เห็นนะนี่ขนาดมาลายกานะ เขามองว่าสัฮาบานี่เป็นดารามาเลาย์กานะ่เขามองว่าสัฮาบานี่เป็นสัฮาบานาบีนี่ที่ร่วมสงครามนี่เป็นดาราใครที่ร่วมสงครามบัตเตกับสัฮาบานี่ก็ถือว่ามีความประเสดมียศละถ้าเราละ่ะอ๋อถ้ามีตั๋วไปไปชมไปชมแหมที่อ ที่อังกฤษเลยะนะโอ้ยิงไปซื้อเสื้อไปอะไรเนี่ยนั่นนะโ อ, อ้คือคือเท่ที่สุดแล้วไงเท่ที่สุดแล้วคือกำลังบอกว่ามาตรฐานระหว่างประชาชาติที่รับใชชนะจริงๆในรุ่นก่อนนะ่นะชาวฟ้าฟ้านี่ชาวฟ้าน่ะ มาเลาก้าเนี่ยเขาถือว่านี่คือพระเอกของเขาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นยิ่งอย่างเป็นแบบอย่างที่จะให้ลูกหลานของเราภูมิใจนอกจากเขานักเตะบอล น, นี่มาเป็นมาเป็นดาราให้เขามันก็แสดงถึงความตกต่ำของของประชาชาติของเราอยู่แล้ว จึงไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมประชาชาติอิสลามประชาชาติอิสลามเนี่ยเป็นแบบนี้ทำไมมุสลิมทั่วโลกเป็นแบบนี้แฟนแฟนสโมสรที่อังกฤษหรือเยอรมันหรือฝรั่งเศสนะแฟนขับกันะ มากกว่าคนในเชื้อชาติเขาสหมายถึงว่าเอาแฟนคลับคนไทยของของสโมสรแมนูหรืออะไรพวกเนี้ยมากกว่าคนอังกฤษมากกว่ามากกว่าสมาชิกสโมสรเขาเสียอีกนั่นหมายรวมว่า เขาสามารถที่จะชนะใจเราด้วยบอลเขาไม่ ท, ท, ทั้งดีเรื่องดีของเขาเนี่ยก็เรื่องอีกน่ะคนเช่าอังกฤษน่ะนะเขาก็มีนักฟิสิกส์มีนักเคมีมีนักแพทย์มีนักดราราศาสตร์เยอะแยะเหมือนกันนะ่ะมาอุตสาหะของเขาเนี่ยดังดงเน่ยก็มีเหมือนกันนะ่ะแต่เรารู้จักไหม เราชื่นชมไหมเราติดตามผลงานเขาไหมไม่แต่เขาเอาชนะเราเนี่ยเอาชนะหัวใจของเราเด้วยบอลก็ไม่ต้องถามแนละ้ว่าถ้าหากว่าเราถูกหลอกลวงได้ด้วยลูกบอลลูกเดียวนะฮะมันก็ไม่ต้องถามแนละ้วแล้วว่าสภาพของเราคุณภาพ คุณภาพอารยธรรมของเราวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอัลลอฮ์สุบฮานะวะตะอาลัช่วยให้กําลังใจด้วยมาเลย์กะว่ามาจักราห์หุอนลาบุชรอว์ลิตตุตอินนบิฮิคุลูบุคุมละมานันมิได้ส่งให้มันมีขึ้นคือการส่งอะไรกะไปช่วยเนี่ยนอกจากเป็นข่าวดีบุชรอ เป็นขาวดีแล้วต่ซอาบะไม่เห็นแสดงว่ารู้ยังไงรู้จากท่านนาบีสุลต่ลนละวะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักท่าทีของพวกมุสริกีนที่เห็นความหวาดกลัวเกิดขึ้นกับสีหน้าใบหน้าของเขาจึงเห็นว่าโอ้เราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวมีมาหลายมีมีกองทัพมีกําลังเสริมที่อัลลอฮ์ส่งมา วันนั้นสูอิมลากเด็กมาเล็ลงมาช่วยก็จริงแต่ที่เราต้องรักงแน่มลากเกมาเลงมาช่วยก็จริงแต่ที่เราต้องรักอย่างแน่นอนวันนั้อิ่มแลากเด็กมาเลลาช่วยก็จริ่ที่เรา้อรักษย่างแอนว่แล้จกการช่วยเหลือที่ที่มันนัิจากเด็มาาวก็จริงเาอกา่าน่ั้นอิมแลจากเลที่าักษอ ทจึงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ عزي ซ์ ح กีมผู้ทรงปรีชาญาณนี่ทบทเรียนสําคัญชัชนะความช่วยเหลือมาจากไหนเท่านั้นอิลาอิลลามิได้ดีลยมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วความช่วยเหลือนี่ไม่ใช่มาอะไรกันละอัลลอฮ์ก็มีมาอะไรกั ทั้งทั้งที่มีมารายการนะแต่ก็ความช่วยเหลือจากจากใครเท่านั้น a l l a องเดียวต้องมีเท่านั้นนะต้องมีเท่านั้นนี่คือบทเรียนสำคัญที่ต้องปลูกฝังไว้ <ت ص في ق> ความช่วยเหลือนี่มาจาก Allah เท่านั้น لا حول ولا ق و ิ إلا ไม่มีอำนาจใดๆ ไ, ไม่มีพลังใดๆ ไ, ไม่มีความช่วยเหลือใดๆที่มาจากใครนอกจากที่มาจากอัลละ์เท่านั้นะอะไรบางทีกำลังช่วยเหลือกาลังเสริมกาลังสามารถกำลังอำนาจอะไรต่างๆที่เราได้เห็นเห็นกันนั่นน่ะอันนั้นน่ะก็มาจากอัลลอ์เหมือนกันต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องเข้าใจแบบนั้นถ้าอัลลอ์ไม่อนุมัติ มันก็จะไม่มาถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งมาอัลลอฮ์ไม่บัญชาให้มาอะไรก็มาก็จะไม่มีก็แสดงว่าใครเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืออัลล์ไม่ชิมอะไรก็ความช่วยเหลือที่แท้จริงนี่นะก็คือความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งยังมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสงครามบัตรที س و ر ท ا ل ا ن ف แ ل د ได้เล ah ่าให้กับพวกเราก็คงยกยอดไปยังสัปดาห์ต่อไปนะครับพี่ชอ ى ์เล่า م ัลลัลลอฮุอะลบนมุฮัมมัดลฮิะ ص ح ب ه และสัลลัมและสุลามุอาลัยุมะ رحمة ุลลอฮิะ بركة